เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุทำให้ตาที่จะอยู่ได้นานหรือได้ได้ได้ ไ, ด ไ, ดไม่นานเช่นคนบางคนโกรธมากๆบ่อยๆเข้าก็พีผลทั้งตาไหมอย่างนี้เป็นต้นจะเห็นได้ว่าจาักขู่เนี่ยไม่เที่ยงเพราะปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมทำให้จักขู่เกิดก็ไม่เที่ยงจริงๆใช่ไหมที่จริงท่านต้องรู้ลักษณะรักษาประจุประทานประทฐานของจักขูก่อนคือไปไข่ควรจนชัดเจนก่อนตรงเนี้ย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 นะฉะนั้นสัมมาสัมพุทธทเป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อมาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เบีดเสร็จแล้วเนี่ยเนะี่ยเออทำให้ทำให้ให้ชัดเจนว่าคำว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยที่ว่าตัศรู้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองเนี่ยแล้วก็สอนให้บุคคลอื่นให้ตัศรู้ตามด้วยเนี่ยบอกอ๋อเป็นไปอย่างนี้เอง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 และกว่าจะตัดสรุ้ได้ตนเองเนี่ยทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมาบา ร, ร ม, มีปัญญาบา ร, รมีวิริยะสัจจะที่คันเตียทิฏฐานาาน่าเมตตาเนีอุเบกขาบา ร, รมีไปด้วยอุปบา ร, รมีสิบปรมาถบา ร, รมีสิบยี่สิประสองค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรัปนะตรงนี้นะกว่าจะได้คำว่าสมมาสมพุโทโธนี่นะบ่มเพาะบา ร, รมีมาอย่างยาวนานนะตัวบา ร, รมีสิบเหล่านี้หนุนเนื่องเพราะที่ปักขาทำสาม37ประการนะ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 เป็นโรงงานมือมาเลยอ่ะที่รอให้วิบากเราอยู่เนาะตายเมื่อไร่เขาก็มอบตาใหม่ให้เมื่อนั่นแหละเมื่อจุติก็ปฏิสนธิทันทีจุติก็ปฏิสนธิทัน ท, น ท, น ท, น ท, นทีถามว่ามีขณะจิตไหนบ้างที่ท่านทั้งหลายไม่ทำำํากรรมมีไหมหลับยังฝันเลยใช่ไหมฝันก็ให้ผลในวัติการปฏิทินกาลก็ไม่ให้นะ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 เป็นบุญหรือเป็นบาปเท่านั้นสรุปแล้วก็คือว่ากรรมสามเราเดินกันอยู่ตลอดเวลาเลยครอบกรรมาบดก็ให้วิบาก ค, ครอบกรรมมบดก็ให้วิบากอยู่อย่างนั้นแหละแล้ววิบากเหล่านั้นถามจะมากมายสักเพียงไรเป็นโรงงานมหึมาที่เป็นตัวเชื่อมเพราะกรรมเนี่ยนะจะให้ผลกับคนที่มีสักยะทิฐิใช่ไหมพระหันต์พระโสตบัลลัักยทิธฐิได้ใช่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 อย่างนี้เขาเรียกว่าหนึ่งเป็นยาตาปริญญาเนะีพิจารณาด้วยความว่าจากขู่ภาษาที่เป็นรูปธรรมเนาะและเป็นที่ตั้งของจกักรคุยั ญ, ญนะใช่ไหมอาศัยตาและ้ะลูกเกิดจากคุยั ญ, ญเอาทีใช่ไม่ใช่ใชอาศัยตาและลูกเกิดจากคุยั ญ, ญาการประชุมของธรรมสามการเป็นภาษาเขาเรียกจักขคู่สัมพัสตารูปอารมณ์จักขคุยัญสามอย่างประชุมกันก็เป็นจักขคู่สัมพัสก็เป็นภาษา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 ท่านตรงนี้จริงๆต่างๆก็ก็เลยพูดกันแบบ ร, มรวมๆเขาไว้ถ้าไปแยกแยะมีมีวิมีเรื่องวิจัยกันอีกเยอะนี่นะก็เลยพูดกันแบบ ร, มรวมๆว่าถ้าไม่แล้วในขณะที่เราไปมองอบายศัตร์แต่เราก็กลับดีใจได้เราก็ชอบใจได้ทั้งๆที่ผลของบาปกําลังให้ผลท่านวุนนั้นอยู่เนี่เราก็มาทํากรรมใหม่กันอีกเห็นไหมตั้นหาก็ไปเชื่อมติดอีกแล้ว ตั้หาก็ไปเชื่อมติดอีกในการที่จะทําให้เหล่านั้นมีความยินดีมีความเพลิดเพลินก็เหมือ น, นถ้าถามบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขชอบที่สุดการอยู่ป่าดูนก ท, ท, ทั้งทั้งที่เอาบยาสัตว์แท้ๆเขาไปดูใบายาสัตว์เขาชื่นใจมากเขาบอดูใบยาสัตว์เขาไม่รมนนู้ใ น, นการด<อ>ูแต่ละครั้งนั้นตั้หาก็เชื่อมอภิท ร, รกรรมก็ต่อติดเข้าไว้แล้วอัธยาศัยที่เขาสั่งสมอย่างยาวนานเหล่านั้นถ้าเขาใกล้ตายขึ้นมาอารมณ์เหล่านั้นเป็นในอารมณ์ในมรณาสถานการเขาก็ไปปฏิสทติอยู่ในป่าอยู่ในนกอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะ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 นี่เขาเรียกสภาวะของโทษาเป็นอย่างนี ni, ้ฉะนั้นเวลากุศลจิตเกิดขึ้นหรืออกุศลจิตเกิดขึ้นก็ดีในสภาพน้ําหล่อเลี้ยงหัวใจก็ต่างกันออกไปฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้เราก็โอ้โหในสังสารวัฏเนี่ยเราเผาตนเองมาไม่รู้เท่าไหรเนี่ยเนาะก็ทีนี้ถ้ามาพิจารณาถ้าสมาธิอย่างนี้เกิดขึ้นใช่ไหมก็พิจารณาโอ้นี่กลุ่มนี้คือกลุ่มน้ำมาทำอาศัยรูปธรรมคือหาทยวตถุเป็นต้นแล้วก็การัชกายเป็นไปใช่ไหม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 นี่กายมหมดเวลาก็สวดมวนต์กันหน่อย